อยากได้ธรรมะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงยางถ้าเราไม่รู้ทิศทางเนี่ยการเรียนของเราการปฏิบัติทำของเราก็สเปะ ส, สปะทาตามยถากรรมทำตามตามกันไปทั้งๆที่คาสอนของพระพุทธเจ้านะชัดเจนมากเลยท่านบอกคำสอนของพระพุทธเจ้านะงดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางงดงามในที่สุดคือมันสมเหตุสมผลไปหมด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 อย่างตัวเราก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าตัวเรามารวมกันก็มาเป็นตัวเรารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามารวมกันขึ้นมาก็หมายรู้ว่าเป็นตัวเรานะบางคนท่านก็สอนให้แยกออกเป็นาธาตุแยกกายแยกใจนี่แหละแยกตัวเรานี่ออกเป็นาธนะาตุธาตุมีส8บปดธาตุเยอะธาตุสิบปดธาตุไม่ใช่าธาตุทางเคมีนะ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 ธาตุนี่เยอะไปเยอะไปเกินจําเป็นแต่บางคนชอบคิดมากก็ต้องเรียนให้เยอะไว้ก่อน mm hmm. เผื่อสมัยพระศรีอานมาแล้วจะได้กลัดสรูท้ mm hmm. ทนันตามท่านได้ <c oughs> เรียนไปก่อนให้เยอะๆเนี่ยแต่ละคนนะจะต้องเรียนไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะนี่วิธีที่จะปฏิบัติเนี่ยมาจากการวิเคราะห์ตัวเองอีกนะจริตนิสัยของเราเป็นยังไงต้องมาดูตัวเองนะ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 เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะไปดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนเวทนานุปัสสนานั้นทำยากทำยากกว่าเพราะว่าละเอียดกว่าประณีตกว่านะเวทนาอยู่ในกายก็มีเวทนาอยู่ในจิตก็มีละเอียดขึ้นไปอีกทำยากนี่สำหรับคนคิดมากนะขอแนะนำให้ดูจิตจิตตานุปัสสนาทาง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งทายากกว่า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 การดูกายกับดูจิตนี่มีเงื่อนไขที่ต่างกันมีตัวช่วยที่ต่างกันการดูกายจะทำได้ดีถ้าทำสมาธิซะก่อนเพราะนั้นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาทั้งคู่เนี้ยหมาะ ก, กับสมถายานิกเหมาะ ก, กับคนทรงฌานนะถ้าคนทรงฌานไม่ได้มาดูกายเนี่ยดูยากครูบาจารย์วัดป่าทาไมภาวนาเก่งเห็นไหมก่อนที่ท่านจะมาดูกายกันเนี้ยท่านทำสมาธิกันก่อนถูกตำราอภิธรรมเพศ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 ยกมือให้ชมชฉบหน่ช่างคิดคิดทั้งวันอ่ะนะมีใครรู้สึกว่าวันวันไม่คิดมากเลยเสริมสวยอย่างเดียวมีไหมก็มีเหมือนกันนะแต่มันน้อยแล้วคนยกเนี้ยมันจะมาสวยอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วจะกลีดกลายนะห่มสบายนะให้สวยงามเดินกระชดกรนะช้อยกระมิดกระเมี้ยนกระบิดกระบวนอะไรเงี้ยทำยากละนะ